ิเทศนยกันจำนวนอาบัตในปาฏิเทสนิยักกันปาฏิเทสนิยสขาบทที่หนึ่งพิสุนีออกปากขอเนอยใสมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเค้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาฏิเทสนิยะทุกๆคำกลืนปาฏิเทสนิยสขาบทที่สอง ภิกษุณีออกปากขอน้ำมันมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกๆคำกลืนปาติเทศนิยึกุขาบทที่สามภิกษุณีออกปากขอน้ำผึ้งมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัติปาติเทสนียะทุกๆคำกลืนปาติเทสนียะสักขาบทที่สี่พิสุนีออกปากข อ, อน้ำอ้อยงบมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฏ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนียะทุกๆคำกลืนปาติเทสนียะสึกขาบทที่ห้า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 ภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกทุกคำกลืนปาติเทสนิยะแปสิขาบทจบกตาปฏิวาระที่สองจบ 3. วิปัติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัตหนึ่งปาราชิกัน คำถามคำตอบวิบัติในปาราชิกันปาราชิกศึกขาบทที่5าถามอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัต สองอาจจาะวิบัติละถึง 5. ปาติเทศนิยกันคำถามคําตอบวิบัติในปาติเทศนิยักันละถึงปาติเทศนิยักสิกขาบทที่8ถามอาบัติของพิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรตอบอาบัติของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน บรรดาวิปัสสีอย่างจัดเป็นวิบัติหนึ่งอย่างคืออาจาระวิบัติวิปติวาระที่สจบ 4. ส, สังหะวาระวาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่5ถามอาบัตของภิษุณีผู้กำหนด ยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตส3กองคือ1กองอาบัตปราชิก 2. กองอาบัตถุลใจ 3. กองอาบัตทุกกฎห้าปฏิเทศนิยกัน คำถามคำตอบจากกองอาบัตในปาติเทสนิยกันปาติเทสนิยศข่าบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาติเทสนิยะ 2. กองอาบัตทุกกฎสังคหะวาระที่4จบ 5. สมุทฐานวาระวาระว่าด้วยสมุทฐาน 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบสมุทฐานอาบัตในปราชิกกันปราชิกศึกขาบทที่5ถามอาบัตของภิกษุณีผู้กำหนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนัดบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐาน เกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำหนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำหนัดบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่เชื่เกิดทางวาจา 5. ปาติเทศนิยกันคำถามคำตอบสมุธฐานออาบัตในปาติเทศนยกัรปารติเทศนิยศึกขาบทที่8 ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานคือหเกิดทางกายไม่เชื่เกิดทางวาจาไม่เชื่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับวาจาไม่เชื่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 4. เกิดทางกายวาจากับจิตสมุทฐานวาระที่หจบ 6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกร 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรในปราชิกกันปราชิกศกขาบทที่5ถาม หาบาทของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาอธิกรณ์สอย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบอาบัตทของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดาอธิกรณ์สอย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์หาปาฏิเทศนิยกัรมคำถามคำตอบอธิกรณ์ในปาฏิเทศนิยกัร ปาติเทศนียสิกขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาอธิกรณ์4อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดาอธิกรณ์4อย่างจัดเป็นอาบัตตาธิกรณ์อธิกรณวาระที่6จบ7สมถวาระ วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ 1. ะนึ่ปราชิกการคาถามคําตอบสมถะในปราชิกการปราชิกศิกขาบทที่5ถามอาบัตของภิกษุณีผู้กําหนัดยินดีการถูกต้องการของชายผู้กําหนัดบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหรตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กําหนัดยินดีการถูกต้องการของชายผู้กํำนัด สมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะสมอย่างคือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สมุขาวินัยกับติ น, นะวัารกะ 5. ้าปาติเทศนิยกันคำถามคำตอบสมถะในปาติเทศนิยกันปาติเทศนิยสขาบทที่8ถามอาบัติของพิสุนีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉัน บรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัติของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาชันบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สมุขาวินัยกับตินณวถารกะสมถะวาระที่7จบ 8. สมวจยาวาระ วาระว่าด้วยการสรุปรวม 1. ประชิกกันคาถามคาตอบสรุปรวมอาบัตในประชิกกันประชิกสิกขาบทที่5ถามภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุณีผู้กหนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตสามอย่าง คอยินดีการจับต้องบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปต้องอาบัตปาราชิก 2. ยินดีการจับต้องบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้หัวเข่าลงมาต้องอาบัตทุนละใจ 3. ยินดีการจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ถาม อาบัตเหล่านั Pop ้นบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไรบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไร่บรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่าง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 บรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถะเจอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสมอย่างคือ 1. นึ่งสมุขวิไนย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สมสมุขวิไนยกับตินนวัารกะ 5. ปาติเทศนิยกัรคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในปาติเทศนิยกัรปารติเทศนิยศึกขาบทที่8 ถามภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตเท่าไร่ตอบภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเค้นด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกๆคำกลืนภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอบาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัสสีอย่าง จัเป็นวิปัสส์เท่าไรบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติเท่าไหร่บรรดาสมุทฐานอย่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกร4อย่างจัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถทฐเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัติเหล่านั้นบรรดาวิปัสส์สีอย่างจัดเป็นวิบัติ์หนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติ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 4. เกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาปัตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรระสามสมุขาวินัยกับตินนวทถารกะสมุจะยะวาระที่8จบ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 กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดถามในปราชิกสึกขาบทที่ห้านั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปันณบัญญัติอยู่หรือตอบในปราชิกศึกขาบทที่ห้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปันณบัญญัติถามมีสัพพะบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพถบัญญัติ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 ถามมาสู Better, students, ่อุเทศโดยอุเทศไหนตอบมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สองถามบรรดาวิปัสสอย่างเป็นวิปัสส์อย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัตเ7กองเป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตปราชิกถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบ เกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาถามใครนำมาตอบพระเทระทั้งหลายนำสืบสืบกันมารอยนามพระเทระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมาพระเทระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระสิขวะและพระโมคคีบุตรวมเป็นห้ารูปเป็นผู้นาพระวินัยสืบสืบกันมา ในชมพูทวีปอันมีสิริจากนั้นพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิตยะพระอุตยะพระสัมภะและถึงพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมักได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้เนี่ยเกาะตามมพระปั น, นี้ประชิกศึก ข, ขาบทที่6ถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกเพราะการปกปิดโทษเป็นปัจจัยหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุณีทุนลนันธารู้อยู่ ไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปราชิกด้วยตนเองไม่บอกแกคณะในปราชิกสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตหสมุธานเกิดด้วยสมุธานหนึ่งสมุธานเป็นธุระนิเค ป, ปะสมุธานปราชิกสิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น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 ทระวัตถุครบทั้งแปดประการเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารถใครตอบทรงปรารบพวกภิษุณีฉาพาักคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิษุณีฉาพักคีทำวัตถุครบทั้งแปดประการในประชิกสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเป็นธุระนิเค ป, ปะสมุธฐานปาราชิก8ปสิกขาบทจบ 2. ส, สังขาที่เศสศ ก, กันคำถามคำตอบในสังขาที่เศสศ ก, กัน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 ตอบในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติไม่มีพระอนุบัญญัติและอนุปันณาบัญญัติถามมีสัพพัทบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพัทบัญญัติถามมีสาธารณาบัญญัติอัสาธารณาบัญญัติอยู่หรือตอบมีอัสาธารณาบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุภโตบัญญัติอยู่หรือ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 ตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัติเกองเป็นกองอาบัติไหนตอบเป็นกองอาบัติสังฆาทิเศษถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายวาจากับจิตถามใครนํามา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 เพราะการบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาบวชให้สตรีผู้เป็นโจรในสังฆาทิเศษศึกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติพันดาสมุทฐานแหนอาบัตหกสมุทฐาน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 สังคาทีิเศษสึกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคารทิเศษเพราะพิษุณีเรียกพิษุนีที่สงพร้อมเพลียงกันลงโอเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตุ์ศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการุกสงทั้งไม่รับรู้ฉันทาของคณะเป็นปัจจัยนณะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัตณิณครงสาวถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรภิกษุณีทูลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูลนันทาเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพลียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการก็สง์ทั้งไม่รับรู้ฉันทาของคณะ ในสังคาทิเศษสักขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุรานิเคปสมุทฐานสังคาทิเศษสักขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีมีความกำหนัดรับของเคี้ยวหรือของฉัน จากมือของชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วฉันเป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคภิกษุณีสุนทรีนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทากำนัดรับอามิตจากมือของชายผู้กำนัดในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุทฐานสังฆาทิเศษสิกขาบทที่6ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษพราะภิกษุณีทรงเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ตาม ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กําหนัดนิมนท์เถิดแม่เจ้าชายผู้นั้นจะถวายสิ่งใดเป็นของเขี้วหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเค้นของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้วหรือฉันเถิดดังนี้เป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นั้นจะกำนัดหรือไม่กำนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำนัดนิมนเถิดแม่เจ้าชายผู้นั้นจะถวายสิ่งใดเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่านท่านจงรับประเขนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้วหรือฉันเถิดในสังฆาทิเศศสสาสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานในอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานสังคาทิเศษสกศึกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีผู้โกรธไม่พอใจไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งทรงสวดสมนุภาพ ค, ครบบสามครั้งเป็นปัจจัยนณะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณครุงสาวถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีจันทกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันทกาลีกโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกคืนพระพุทธบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนศึกขาในสังฆาทิเศษ ศ, ศึกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 พวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวในสังคารที่เสสศึกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นธุระนิเคปะสมุทฐานสังคารที่เสสศึกษาบทที่9ถามพระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ยังไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกภิกษุณีทุลนันธ า, นาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธานทรงเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงอยู่ครุกครีกันอย่าแยกกันอยู่ในสังคาทิเศษสสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุรนิเคปะสมุทฐานละถึง 5. ปาฏิเทศนิยกัรคำถามคำตอบในปาติเทศนิยกัรปาติเทศนิยกัรบทที่8ถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนิยะเพราะภิกษุณีออกปาขอนมเปรี้ยวมาฉันเป็นปัจจัยณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปราบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉัพักคีถามพระเรื่องอะไรตอบ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 4. เกิดทางกายวาจากับจิตกัตะปัญญติวาระที่หนึ่งจบ 2. กตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไรหนึ่งปราชิกกัน คำถามคำตอบจำนวนอาบัตในประชิกกันประชิกศึกขาบทที่5ถามเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห5อย่างคือ 1. พภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปของชายผู้กำนัดต้องอาบัตประชิก 2. อพิสษุนีใช้กายจับต้องกายต้องอาบัตสังฆาทิเศษสามพิสษุนีใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุนลจัย 4. พิกษุณีใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฏ 5. ้พิสษุนีใช้นิ้วจี้กันต้องอาบัตปาจิตตีเพราะยินดีการถูกต้องกายเป็นปัจจัยต้องอาบัตร5อย่างเหล่านี้ ปราชิกศีขาบทที่6ถามเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัตสีอย่างคือ 1. นพิกษุณีรู้อยู่ว่าพิกษุณีต้องทําคือปราชิกปกปิดไว้ต้องอาบัตปราชิก 2. อพิกษุณีสงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัตทุนลใจสามพิกษุณีปกปิดอาบัตสังฆาทิเศตต้องอาบัตปาจิตตี สภิกษุณีปกปิดอาจารวิบัติต้องอาบัตทุกกฎเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัตสี่อย่างเหล่านี้ปราชิกศิขาบทที่7ถามเพราะไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมโนภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร่ตอบเพราะไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมโนภาพ ค, ครบสามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัตห5อย่างคือ 1. นึ่งพิุณีประพฤติตามพิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจงกระทั่งสงสวดสมนุภาพ ค, ครบ3ามครั้งจบยาติต้องอาบัตทุกฏก 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนลจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปราชิก 4. ภิกษุณีประพฤติตามภิษุผู้ทำลายสงไม่ยอมสละกรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสังฆาทิเศษ5ไม่ยอมสละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส่วนสมานุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตีเพราะไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมานุภาพครบ3ามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัตห5อย่างเหล่านี้ประราชิกศิกขาบทที่8ถามเพราะทมวัตถุครบทั้ง8ประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ เพราะทำวัตถุครบทั้งแปประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. ภิกษุณีที่ชายสั่งว่าจงมายังที่ชื่อนี้แล้วเดินไปต้องอาบัต ท, ทุกกฎสองพอ่างเข้าสู่ช่วงแขนของชายต้องอาบัต ท, ทุนละใจ 3. ามทำวัตถุครบทั้งแปประการต้องอาบัตปราชิกเพราะทำวัตถุครบทั้งแป่ประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตส3มอย่างเหล่านี้ ประชิกแปดสิกขาบทจบสสังฆาทิเสษะกันจำนวนอาบัตในสังฆาทิเสษะกันสังฆาทิเสษะสิกขาบทที่หนึ่งเพราะภิกษุณีผู้ก่อคดีพิาพาเป็นปัจจัย ต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. บอกเรื่องของคนหนึ่งต้องอาบัต ท, ทุกกร 2. บอกเรื่องของคนที่สองต้องอาบัต ท, ทุนลใจสามเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษสัจิกขาบทที่สองเพราะบทให้สตรีผู้เป็นโจรต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบญาติต้องอา บ, าอาอบตัตออาบา ท, ทุกกร 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัต ท, ทุนละใจ สามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศตสังฆาทิเศตสสิกขาบทที่สเพระาะภิกษุณีเข้าไปสู่ละแวกบ้านรูปเดียวต้องอาบัตสาอย่างเคยหนึ่งกำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกร2ย่างเท้าเก้าที่1เข้าสู่บริเวณรัว้วต้องอาบัตทุนละใจัย 3. ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัตสังฆาทิเศตสังฆาทิเศตสัสิกขาบทที่4 พระภิกษุณีเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเปลี่ยนกันลงอุเคปเนยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่ต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัต ท, ทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศษสัษสิกขาบทที่ห เพราะภิกษุณีกำนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วฉันต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทนละใจ 2. ฉันต้องอาบัตสังฆาทิเศตทุกๆคํคำกลืน 3. รับประเคนน้ำและไม้ชําระฟันต้องอาบัต ท, ทุกกฎสังฆาธิเสสศสสิกขาบทที่6 พระภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำนัดหรือไม่กำนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำนัดนิมนต์เถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ดีแก่ท่านท่านจงรับประเคงของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้ต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งรับประเคงตามคำของภิกษุณีนั้น ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎสองฉันต้องอาบัตทุนละใจทุกๆคำกลืนสามฉันเสร็จแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษสัจคขาบทที่7เพราะภิกษุณีผู้โกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบญติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกก สจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุและใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆา ท, เาทิเศษสังฆาทิเศษสักขาบทที่8เพราะภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์บางเรื่องโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบยาติต้องอาบัาบตทุกกฎ 2จบกรรมวาจาสครั้งต้องอาบัติทุนละจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษสัสกขาบทที่9เพราะภิกษุณีอยู่คลุกคลีกันไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัติสอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัติทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสงครั้งต้องอาบัติทุนลจัย สามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบาสังคาทิเศสังคาทิเศตสศักสขาบทที่10เพราะภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าน้องหญิงทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งต้องอาบาสามอย่างคือ 1. จบยาติต้องอาบา ท, ทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจัยมจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศษสิบสิกขาบทจบพึงขยายความเหมือนข้างต้นปัจจัยเท่านั้นที่เป็นเหตุให้ต่างกัน